ไม่วิวาดกันเข้ากันได้ดี 3. ทรงเห็นภิกษุทั้งหลายร่าเริงยินดีมีอินทรีย์ช่ำชื่นคงจะได้บรรลุคุณในพิเศษอันโอลาน 4. พระสาวกเตือนกันและกันไม่ให้ทรงเสียงเอ็ดอึงแม้ไอจามในขณะที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแสดงว่าทรงฝึกหัดบริสัทได้ดี